ถ้าคุณผู้ฟังจำเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาในเพจพระเจอผีได้ก็จะรู้จักพี่สุกัญญามณีรัตน์นะคะที่ส่งเรื่องเล่าในคืนจับอื้งที่หลงเข้าไปในป่าช้าแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับเราค่ะว่าจะเล่าเรื่องลุงฉ่ำหน่อไม้ให้ฟังวันนี้พี่สุกัญญาส่งเรื่องลุงฉ่ำหน่อไม้มาแล้วบีขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันละกันเรื่องมีอยู่ว่า เกิดขึ้นในเขื่อนภูมิพลนี่แหละนะคะคือที่เดิมคือก่อนนั้นเนี่ยในเขื่อนเนี่ยก็จะมีอาหารป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแย้มีอึงมีเห็ดโคนมีหน่อไม้แล้วก็ลุงฉําเองเนี่ยนะคะแกเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของสามีค่ะก็คือพี่วัดนะคะเมื่อสามปีที่แล้วหน่อไม้ท้ายสนามกอล์ฟตลอดจนบนเขาเนี่ยก็จะมีหน่อไม้ป่า หนอใหญ่ๆเยอะมากมายแล้วก็เวลาที่ออฟนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันหยุดนะคะก็คือพวกเราชาวเขื่อนก็จะแบกกระสอบถุงปุ๋ยค่ะบางทีถ้าหากว่าใครที่แข็งแรงหน่อยนะคะก็แบกกระสอบเข้าสารไปเลยเอาไว้เก็บหน่อไม้ลุงฉ่าเนี่ยแกจะเป็นคนหาหน่อไม้เก่งมากค่ะคือแกถือกระสอบไปทางท้ายแคมป์เผลอแป๊บเดียวจะแบกลงมากระสอบเข้าสารนึ่งละ หน่อไม้แห้งหน่อไม้ดองที่เขื่อนภูมิพลอร่อยมากพี่สุกัญญาคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็โดยเฉพาะหน่อไม้แห้งเนี่ยใช้ใส่พะโล้เนี่ยอร่อยมากคือพวกเราทุกคนก็จะมีวิถีชีวิตของพวกเราไปตามปกติและแล้วมีวันหนึ่งค่ะลุงฉําแกก็เสียชีวิตลงด้วยความดันโลหิตสูงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็บอกพี่วัดว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่กล้าไปหาหน่อไม้แล้วนะกลัวลุงฉํา คุณบีคะเอาแล้วไงแฟนพี่นึกยังไงไม่รู้ชวนไปหาหน่อไม้ท้ายสนามกอล์ฟพร้อมกับพูดขึ้นว่าไม่ต้องกลัวลุงฉาหรอกป่านนี้ลุงเขาไปเกิดแล้วละ่ะคุณบีคะบ้านพี่กับบ้านลุงฉาเนี่ยคืออยู่ติดกันกันกบบ้านพี่เวลาเดินผ่านบ้านแกก็จะตะโกนว่าแกงอะไรหรือไม่ก็เฮ้ยวันนี้มีแกงเหลืองหน่อไม้นะอยากกินมาตักเอาไปอะไรทานองนี้นะคะพี่สุกัญญาก็เออ เชืแฟนค่ะคว้าถุงปุ๋ยพร้อมกับเสียมเล็กๆคนละเล่มเดินลัดเลาะกันไปท้ายสนามกอล์ฟช่วงนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงแดดจ้าอากาศดีมากเราก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเขาเข้าป่าไผ่พี่สุกัญญาแล้วก็แฟนเนี่ยกุดหน่อไม้เพลินเดินไปเรื่อยๆค่ะหน่อไม้ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพี่สุกัญญาก็เลือกตัดเฉพาะส่วนยอดแฟนบอกเลยอย่าไปตัดแบบนั้นคนที่เหลือมันก็เน่านะสิให้มัน ขุดเอามันจะได้แตกยอดออกมาใหม่นะคะพิสุกัญยาก็เลยอ่ะเป็นความรู้ใหม่แล้วก็ขุดเอาคนที่เหลือมันก็จะเน่าแบบนี้ไม่เอาเพราะว่าได้เฉพาะส่วนปลายนะคะพอได้ยินแฟนบอกแบบนั้นก็ทั้งขุดทั้งตัดเลยละ่ะเพลินกันจนพากันเดินไปทางไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าได้ยินเสียงน้ําตกเงยหน้ามองนาฬิกาอ้าวห้าโมงกว่าแล้วก็เลยบอกพี่วัดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนนําทางนะเพราะว่าข่าวนี่ไปไม่ถูกบนข่าวนี่มันเหมือนกันหมด พี่วัดเองก็พาพี่สุกัญญานี่เดินไปสักพักหนึ่งนะะเนี่ยค่ะอ้าเฮ้ยทำไมมันวนมาที่เดิมก็เริ่มใจคอไม่ดีละก็สงสัยตะหิด ต, ตะหิดในใจแต่ไม่พูดแล้วพี่วัดก็ตั้งสติแล้วก็พาเดินลงเขาฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็พากันเดินลงไปเรื่อยๆเอาแล้วไงวนมาที่เดิมอีกเป็นครั้งที่2คราวนี้เริ่มขนลุกแล้วก็มองหน้ากันโดยไม่พูดอะไระค่ะคําเดียวในใจที่นึกได้ตอนนั้นคือหลงทางแล้วก็นึกถึงลุงฉา เพราะว่าบริเวณนั้นลุงฉ่าแกฉ่ำชองมากแกขึ้นลงเป็นว่าเลนดนะคะก็เลยบอกพี่วัดว่าทํายังไงละทีนี้6กโมงกว่าและยังหาทางกลับบ้านไม่ถูกพี่สุกัญญาพูดไม่ทันขาดคําก็เห็นว่ามีคนเนี่ยแบกกระสอบหนาะไม้อยู่ข้างหน้าไม่ไกลพี่วัดก็เรียกนะคะบุรุษนิรนามข้างหน้าเนี่ยบอกลุงคอยด้วย ต่างคนก็ต่างหิ้วกระสอบหนามาวิ่งตามลุงท่านนั้นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะลุงแกแบกเดินเร็วมากค่ะแวบเดียวผ่านก็ไผ่แวบเดียวผ่านก็ไ ผ, ผ่โดยที่ที่สคนนี้วิ่งตามไปแบบห่างๆในป่านะคะซึ่งก็มืดแล้วแต่ก็พอมองเห็นลุงท่านนั้นสลัวๆก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลุงท่านนั้นเนี่ยมาจากหมู่บ้านอื่นนะคะก็ถ้าเป็นพวกพนักงานด้วยกันเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีก็เลยให้ลุงเนี่ยเดินนําหน้า ะะจากนั้นแกก็ถอดเสื้อแล้วผิวแกก็ดำสองคนเนี่ยพี่วัดแล้วก็พี่สุกัญญาก็วิ่งตามแกจนเหนื่อยก็เลยบอกลุงขอกินน้ำแป๊บลุงแกก็ยืนแบกกระสอบรอโดยแกไม่ได้หันหน้ามามองนะคือแกก็ยืนรอห่างห่างค่ะกินน้ำเสร็จลุงแกก็เดินลัดละพาลงจากเขาจนกระทั่งเห็นแสงไฟจากกรีนในสนามกอล์ฟนะคะลุงแกก็เดินหายไปอีกทางนึง โดยที่พี่สุกัญญาและก็พี่วัดนี่ไม่ทันสังเกตนะคะแล้วก็ไม่ทันได้ขอบคุณด้วยคือตอนที่ลงมาถึงกรีนกอล์ฟนั้นก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็ในฤดูหนาวเนี่ยคือมืดเร็วด้วยนะคะพี่สุกัญญาก็พูดกับแฟนว่าพี่วัดคนเมื่อกี้ใครอะตัวเองรู้จักไหมพี่วัดก็สั่นหัวดิกๆเลยแต่ว่าน่าซีดมากพี่สุกัญญาก็เข้าใจแหละนะคะว่าคงเหนื่อยเพราะว่าวิ่งตามลุงไม่ทันจนกระทั่งกลับเข้าบ้าน พี่วัดบอกว่าคนที่เราเห็นแบกกระสอบน้ำไม้ไกลๆนั่นน่ะลุงฉาเขาจําได้ลุงฉาแกจะมีผ้าขาม้าเคียนพุงแล้วเวลาใครถามอะไรแกแกจะตอบฮึเพราะว่าพี่วัดแกตอนที่แกวิ่งตามเนี่ยได้หน่อาไม้เยอะเนาะลุงแกก็ตอบฮึโอ้พี่สุกัญญาบอกคุณบีคะ่ะพี่นึกในใจทําไมไม่ได้บอกกูตอนแรกวะวันนั้นน่ะลุงฉา โทลุงนะันลุงแต่ก็กราบขอบพระคุณลุงฉําด้วยนะคะที่สงสารน้องๆที่หลงทางเอเรียกว่าหลงทางไหมคะน่าจะหลงทางนะแบบนี้เพราะว่าวนเวียนอยู่ที่เดิมนะคะหรือว่าผีหลอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวของบีเองคงจะไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรอกมั้งคะน่าจะเป็นการหลงทางพ ม, มากกว่าแต่ว่าลุงฉําเนี่ยน่าจะมาช่วย ก็นะะหน่อมงหน่อไม้ก็เลือกหากันไปเหมือนกันกับอึ่งนั่นแหละนะคะนี่ทํำไมได้ลุงฉํานะป่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่สุกัญญากับพี่วัดเนี่ยคงจะต้องติดแงะกันอยู่ที่นั่นนะคะก็คงจะต้องหาทางออกกันไปในวันต่อไปกันละกั น, กนเพราะว่าคืนนี้มันมืดแล้ว ขอบคุณเรื่องเล่าสนุกๆจากพี่สุกัญญาด้วยนะคะกับเรื่องลุงฉ่ำเนาไม้ค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมนะคะส่งมาที่แฟนเพจบนเฟ e บุ o กของเราพิมพ์นำหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยพระเจอผีค่ะเป็นตัว P ตัว R ตัว A ตัว J ตัว E ตัว R แล้วก็ตัว P แล้วก็ดับ b บ e E นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ